หลวงพ่อพยายามสอนหลักการปฏิบัติให้พวกเราจับหลักได้แล้วก็ไปสังเกตตัวเองว่าที่เราทำอยู่นี่มันถูกหรือมันไม่ถูกการปฏิบัติเนเบื้องต้ น, นคือการเตรียมจิตให้มันพร้อมสำหรับการเจริญปัญญา จิตที่มีความพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเป็นผู้สังเกตการเป็นออบเซอร์เวอร์ถ้ามันเป็นผู้แสดงสเซนใช้ไม่ได้จิตของเราเป็นผู้กระทำตลอดเวลานะเดี๋ยวคิดเรื่องน้นพูดเรื่องนี้สั่งให้พูด สั่งให้ทำงานทางร่างกายคิดโน้นคิดนี่ทั้งวันเปลี่ยนจากพวกคิดมัวซ่วฟุ้งซ่านมาเป็นผู้รู้ลักษณะของจิต ท, ที่เป็นผู้รู้คือเบานุม่มนวลอ่ อ, อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่ขี้เกียจถ้าภาวนาแล้วก็สงบสบายขี้เกียจเฉยเอย ใช้ไม่ได้ซื่อตรงในการรู้อารมณ์ห้ายถึงสภาวะเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่อยากไปเห็นอย่างนน้นไม่อยากได้ยินอย่างนี้แต่ว่าพอมันกระทบอารมณนะ์แล้วรู้ซื่อๆรู้แบบไม่ยินดีไม่ยินร้ายนนจิตที่เป็นผู้รู้ที่ดีนะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงคุณสมบัติของจิตผู้รู้นะั้นมีมาก มีละบุตาความเบามีมู้ตุตาความนุ่มนวลอ่ อ, อนโยนมีปาคุณาความคล่องแคล่วว่องไวมีกรรมมัญ า, าความควรแก่การงานไม่เฉื่อยมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้ซื่อรู้แล้วไม่หลงยินดีรู้แล้วไม่หลงยินร้ยนายก่อนจะรู้ไม่ได้อยากรู้ ระหว่างรู้ไม่ถลำลงไปรู้เมื่อรู้แล้วเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายเนอ่าเนี้ยเรียกว่ารู้อย่างซื่อตรงมีมอะไรมาให้รู้ก็รู้ น, นั้นแหละไม่ต้องเที่ยวแสวงหาก็รู้แล้วก็อย่า ก, กระโจนลงไปจมลงไปในสิ่งที่เรารู้ธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยฝึกฝนนะเวลารู้อะไรจิตมันจะจมลงไปในสิ่งที่เรารู้ อย่างเราเห็นคนเดินมาเนี่ยไปดูจิตมันจะไหลไปอยู่ที่คนนั้นแล้วมันจมลงไปในรูปที่มองเห็นในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะในธรรมารมเคิดอะไรต่ออะไรล้วก็จมไปอยู่ในโลกของความคิดไม่หลุดออกมาเป็นผู้รู้จิตนะอย่างนั้นเป็นจิตที่ใช้อะไรไม่ได้มันจิตหลงโลก วิธีที่จะฝึกให้เราได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ไม่สําคัญหรอกเอาที่เราถนัดพุดโธก็ได้หายใจก็ได้เดินจงกรมก็ได้นะดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้ดูจิตตรงๆเลยก็ได้บางคนทําได้หลวงพ่อทําได้พ่อดูจิตตรงๆเนี่ย ของเราดูจิตตรงๆไม่เห็นกําลังเราไม่พอดูของที่ดูได้ทํากรรมฐานที่เราใช้ได้พุโทโธไปหายใจไปอะไรง่ายๆจะดูจิตใช้จิตเป็นวิหารธรรมยากมัละเอียดหลวงพ่อที่ไปเรียนหลวงปู่ดูลยหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมเลยดูจิตเกิดดับได้เลย เราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานเช่นเราพุโทโธพุโทโธจิตนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทังนั้นนะพุโทโธเป็นความคิดแต่เราจงใจคิดถ้าเราไม่จงใจคิดพุดโทโธจิตมันก็แอบไปคิดเรื่องอื่นอีกแหืสพันเรื่องนะนับไม่ถูกเลยน่นหนีไปคิดทองมันเอง ตรงที่มันหนีไปคิดทรรมะเองนะเราไม่มีทางรู้ทันเลยยากที่จะรู้แต่ถ้าเราจงใจคิดพุดโทโธไว้พอจิตมันทิ้งพุโทโธนะเราจะรู้ได้เร็วว่าอ้าวเผลอไปคิดเรื่องอื่นละลืมพุโทโธไปแล้วนั่นที่เรามาพุโทโธหรือมารู้ลมหายใจไม่ใช่เพื่อห้ามไม่ให้จิตหลงแต่เพื่อว่าจิตหลงแล้วจะได้รู้ได้เร็วต้องการแค่เนียงถ้าพยายามไม่ให้จิตหลงไปเลยนะมันจะตึงเกินไป ใช้ไม่ได้ตึงเครียดไปถ้าจิตหลงไปแล้วไม่รู้ก็ใช้ไม่ได้หย่อนเกินไปนเราค่อยๆมาฝึกให้จิตมันพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปทำกรรมาฐานสักอย่างหนึง่งโดยไม่บังคับจิตทำกรรมาฐานไปแล้วพอจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นอะไรยเงี้ยรู้ทันมันตรงที่จิตหนีไปคิดเราวรู้จิตหนีไปคิดเรารู้รรบ่อยๆจิตจะจาสภาวะที่จิตหนีไปได้ มันจะย่องย่องหนีไปนะแล้วมันหนีได้เร็วนะทีแรกอาจจะกลัวเรามองอยู่ค่อยๆ ย, ย่องเนียนๆนีย น, นแต่ถ้าเห็นเราเซอร์เต็มที่มันวิ่งปุ๊บปั๊บ ป, บปบวิ่งไปทั่วโลกแป๊บเดียวจากประเทศจีนไปอยู่อเมริกาแล้วจิตมันหนีเที่ยวไปเรื่อยๆใช้ไม่ได้เราก็ทำกรรมฐานนะจิตหนีเรารู้หนีเรารู้ไปไม่ใช่ห้ามหนี ถ้ามนี้ตึงเคียดไปจิตที่ไม่ตึงจิตที่ไม่หย่อนจิตที่รู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่สภาวะเป็นก่อนรู้ไม่เจตนาจะรู้ระหว่างรู้ไม่ถลําลงไปรู้ก่อนรู้เจตนารู้เช่นไหนดูหน่อยสิตอนนี้จิตเป็นยังไงเนี่ยอย่างเนี้ยใช้ไม่ได้ต้องให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้ มีอะไรให้รู้เราค่อยรู้เอาไม่ต้องไปเที่ยวหาว่าตอนนี้เพื่อจะรู้อะไรดีตรงที่เที่ยวแสวงหาใช้ไม่ได้เนี่ยจิตผู้รู้นะมีอะไรมาให้รู้ในกายก็รู้สึกมีอะไรมาให้รู้ทางจิตใจก็รู้สึกไปก่อนรู้เนี่ยไม่เที่ยวแสวงหาระหว่างรู้ไม่ถล่าลงไปพวกเราเนี่ยสมาธิเราไม่พอเวลารู้อะไรนะจิตมันจะไหลลงไปอยู่ตรงนั้น เห็นคนเดินมาไปดูเขาจิตเท่าไรไปอยู่ที่เขามานั่งฟังหลวงพ่อมองหน้าหลวงพ่อจิตเท่าไรมาอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยมายุ่ยเยี่ยอะลยนะมาเพีน้นพ่นนนานๆปัดสักทีมีพัดเอาไว้ไล่เห็นไหมตรงที่หวัวเราะจิตหนีไปไหนดูออกไหมจิตเพลิดเพลินไปไม่รู้หรอกว่าหนีไปไหน ไลยเดียงสาบางคนบอกดีอ่อนเยาวดี <laughs> อินโนเ้น์ของจิตไม่ตึงไปไม่หย่อนไปนรู้สบายบายตึงไปเพราะว่าโลกอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้หย่อนไปเพราะตามใจกิเลสถูกกิเลสลากไป ลากไปทางไหนลากไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใจลากไปชิดส่วนใหญ่อย่างเนี้ยรู้สึกไหมใจมันหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันหลงอย่างเนี้ยหลงใจเราวิ่งไปวิ่งมาวิ่งได้ไหมได้วิ่งเรารู้วิ่งเรารู้เรรนะเนี่ยหลับของการที่จะรู้ทันใจตัวเอง ไม่ไปดักดูนะไม่ไปดักดูไม่ไปรอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาถึงจะใช้ใ ช, ใช้ได้นะระหว่างดูไม่จมลงไปเราเวลารู้จะจมเห็นคนก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเห็นหลวงพ่อก็วิ่งไปอยู่ที่หลวงพ่อพอความคิดเกิดก็วิ่งไปอยู่ในโลกของความคิดนะคิดอดีตคิดอนาคตคิดโน้นคิดนี้จิตหลงใช้ไม่ได้ จิตใจอย่างนั้นไม่อยู่กันเนื้อตัวนะทำกรรมฐานไม่ได้เงินวิธีที่จะให้ได้จิต ท, ที่รู้ตัวนะตื่นขึ้นมาเนี่ยทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปแล้วมีคำา่าแล้วนะหนีไปก่อนแล้วรูว้ว่าหนีไม่ใช่ห้ามหนีห้ามนหามนีตึงไปหนีไปแล้วไม่รู้ว่าหนีหย่อนไปหนีแล้วรู้ว่าหนีถูกต้อง ฉะ้จิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธไปคิดเรื่ออื่นละรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดแล้วรู้บ่อยๆดูสบายๆนะก่อนดูอย่าอยากดูมีอะไรให้รู้ก็รู้ไปนนะแหละรล้ววางรู้อย่ากระโจนลงไปหมกมุ่นดูแบบคนมวงนอกนะไม่หมกมุ่นในกันดูเมื่อดูแล้วมันยินดีให้รู้ทันมันยินร้ให้รู้ทัน ถ้ารู้ไม่ทันจิตจะดิ้นรนปรุงแต่งต่อไปอีกด้วยความยินดียินหลาเช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขนะเกิดความยินดีพอใจในความสุขอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้มีความสุขรู้ว่ามีความสุขยินดีพอใจว่ามีความสุขรู้ว่ายินดีพอใจอย่างนี้ใช้ไดนะ้รู้ทันอย่างนี้ใช้ได้อยู่ที่รู้ทัน ทำได้ไหมแบ่งเวลาทุกวันนะทุกวันแบ่งเวลามาถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองแล้วต้องวันละยี่สิบนาทีสิบห้านาทีให้หลายปีแล้วนะปีนี้ต้องยี่สิบนาทีนะ ร, รีบรีบปฏิบัติเข้าเดี๋ยวพอถึงปีเจ็ดศูนเลยนะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยหนึ่งชั่วโมงทำไม่ไหวนะ ตอนนี้เอายี่สิบนาทีปีหกสองค่ๆฝึกต่อไปนี้นะการปฏิบัติแก่ชีวิตของเราเนี่ยจะรวมไปนอันเดียวกันอย่างหลวงพ่อนะการปฏิบัติแก่ชีวิตเนี่ยรวมไปนัันเดียวกันแล้วมันจะขยับขยื่นเคลื่อนไหวทางร่างกายทางจิตใจมันรู้หมดอนะ่ะรู้ได้เองแล้วปัญญามันก็ตามสอดส่องไปด้วยรูปธรรมนามธรรมเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นตัวทุกข์เห็นไปด้วย มีความสุขนะพอไม่ทุกเท่านั้นแหละมีความสุขไม่ต้องหาความสุขหรอกความสุขมาเองแค่ไม่ทุกเท่านั้นแหละก็สุขแล้วล่ะเพราะนพระพุทธเจ้าสอนให้เราพ้นทุกให้เราดับทุกไม่ได้สอนให้เราหาความสุขแต่เมื่อไหรดับทุกได้อ๋อมันมีความสุขไม่รู้จะเทียบกับอะไรมีความสุขจะ น, น้ําตาน้ําตาตกเลยนะใจมีมีความสุขเยอะน้ําตาร่วง ต้อไปส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดกันไม่ส่งก็ส่งใหม่ไปนะสามคนที่ผ่านไปนะใช้ได้นะมันรู้ตัวขึ้นมาแล้วแต่ของหนูเนยจิตมันยังออกนอกนิดหนึ่งรู้สึกไหมจิมนไปก็นนอกเนี่ยจิตหลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมสามคนเนี้ย ไปดูของเราเองนะอย่างนี้ตึงเกินไปรู้สึกไหมไปรวบจิตเข้ามามันจะตึงเกินไปนี่หย่อนเกินไปนี่ตึงเกินไปอันนี้กระเจิดกระเจิงนะประเภทให้รู้ทันส่วนัวนนี้ชอบเพ้งรู้สึกป่าจะไม่เลิกเลยทำไงดีอะทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ก็ต้องทำ ถ้าทําไม่ได้แล้วก็อยู่แค่นี้นะมันก็เป็นอย่างนี้เลื่อนไปนะสังเกต ด, ดูใจเรามีความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้ ร, นะ ร, รู้ใจอยากเมื่อไหร่ก็รู้ใจอยากเมื่อไหร่ก็รู้อยากปฏิบททัติก็รู้นะแล้วมันจะได้เลิกเพ่งมันเพ่งเพราะมันอยากนะนแหะอาต่อไปใครจําเป็น นมายถการเรนยนคขาวันนี้เขาจะกำบังเล่าเขาอยากรู้ว่าเขาลูซอดูเป็งหลือเปล่าแล้วก็เจะที่ตั้งมั่งเขาเขาเป็งหลือเปล่าอะไรนะเจะจะจะตั้งมั่งเขาเป็งหลือเปล่าเป็นเขาฝึกได้อยู่แต่ตอนนี้ไม่ตั้งมั่นอ่ะตอนนี้จินวิ่งมีอยู่ที่หลวงพ่อเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าตื่นเต้นนะ ตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นหายใจไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหายใจไปนะจิตหนีไปที่อื่นรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันคนนี้หายใจได้หายใจไปเขาอยากรู้ว่าเขาบอกว่าเวลาที่ไปคอร์สในการปฏิบัติเนี่ยจิตเขาสงบได้รวดเร็วและปฏิบัติง่ายแต่พอออกมาในชีวิตประจาวันแล้วเขารู้สึกว่ามัน ยากมากเลยเขาจะพัฒนาต่อไปยังไงดีคะทำต่อไปเรื่อยไม่ว่าทำอะไรนะแรกๆมันก็ยากทางนั้นแหละพอทำจนชำนาญแล้วมันก็ง่ายไม่เฉพาะเขานะใครๆก็เป็นอยน่างนั้นอย่างพวกพระเนี่ยมาบวชจิตใจดีสงบเรียบร้อยภาวนาง่ายพอสื่อออกไปกับบ้านก็ฟุ้งซ่านไปช่วงหนึ่งแหละกว่าจะตั้งหลักได้เป็นทุกคนแหละ เวลาเรามาเข้าคอร์สมันอยู่ในบรรยากาศของการปฏิบัติไม่กล้าฟุ้งซ่านอะไรมากก็ตั้งใจดูพอกลับบ้านมันมีสิ่งที่จูงใจเราให้วิ่งไปเยอะแยะต้องต้องมีความอดทนมีวินัยในตัวเองมีวินัยในตัวเองเช่นทุกวันจะต้องปฏิบัติถึงเวลาแล้วต้องปฏิบัติทำอย่างเนี้ยเรื่อยๆจิตใจเราจะเข้มแข็งขึ้นเราก็พาวนาได้ หลวงพ่อทาได้ตั้งแต่เป็นโยมนะวณนนาะตั้งแต่เป็นาบาทวะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคาราะมันจะยากอะไรขอให้มีวินัยในตัวเองนะตั้งใจจริงแล้วก็คอยดูของเราอย่าขี้เกียจเท่านั้นนะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนขอไปเล่นอันนี้ก่อนอะไรอย่างนี้นะถ้าอย่างนั้นไม่เจริญถ้าเรามีวินัยทุกวันถึงเวลาเราปฏิบัตินะ ใจเรา่ะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆต่อไปเป็นฆร า, าวาสหรือเป็นพราก็เหมือนๆกันทำได้เหมือนกัน น, นั่นอยู่ น, น้นอยู่ข้างหลังนะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้นมักนสการค่ะหลวงพ่ออยากถามเขาว่าที่ปฏิบัติอยู่โอเคไหมโอเค <laughs> <c oughs> มีอะไรแนะนำเพิ่มไหมคะบังคับเยอะไปนะอย่าไปบังคับจิตนะแต่ของหนูถ้าไม่บังคับมันก็จะฟุง้งซ่านจะสลับกันไปอย่างนั้นฟุงรรร้งซ่านแล้วรู้ไปบังคับก็รู้นะอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้าจิตเราหนีไปเราคอรู้เอาอย่าไปบังคับจิตให้มันนิ่งๆอย่าไปเครียด เครียดเกินไปในการปฏิบัติไม่ดีนะดูสบายๆ ส, สงบก็ช่างฟุ้งซ่านก็ช่างขอแค่ว่าสงบเรารู้ฟุ้งซ่านเรารู้แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วพอเพิินพาลูกชายมาด้วยอะค่ะลูกชายอายุเท่าไหร่เออแปดขวบแล้วค่ะเอก็สอนให้ปฏิบัติเหมือนกันไม่รู้ว่าไหนอยู่ไหนลูกชา ย, ยหให้หลวงพ่อดูหน่อย สนเหมือนแม่เวลาจะสอนเด็กทำกรรมฐานเนี่ยอย่าไปบังคับนะเปิดซีดีหลวงพ่อให้เขาได้ยินเรื่อยๆเด็เขาก็เป็นเด็กเรไยไม่ยากหรอกเด็กนิมก็สนนะเอาเรื่องอยู่นะเปิดซีดีหลวงพ่อให้ได้ยินไปเรื่อยๆกล่าวมาสการหลวงพ่ออยู่ไหนอ๋อว่าไป เห็นหรือเปล่าว่าเราไม่เหมือนเดิมเห็นเจ้าค่ะแล้วจะสงสัยอะไรส่งการบ้านครั้งสุดท้ายประมาณปีห้าเดือนแล้วเจ้าค่ะอืวันนี้ก็เลยขอมาส่งการบ้านเจ้าค่ะเอาสิส่งไปอยากจะทราบว่าจิตยังจิตโนโดีนะจิตมีกำลังมากขึ้นนะใช่ได้ยังอยู่ในทางใช่ไหมเจ้าค่ะอยู่ดีกว่าเมื่อก่อน ขอบพระคุณเจ้าค่ะมทำแล้วมันเจริญขึ้นก็ทำต่อไปขอบคุณกลับหลวงพ่อครับจะถามอะไรว่านาเป็นแล้วก็อพอนาไปอาศัยกายเป็นหลักครับหลวงพ่ออะไรนะใัยกายเป็นหลักฮะ ด, ดูกายเป็นหลักครับนั่นแหละใช้ได้แล้ว ดูกายแล้วก็เห็นจิตนะจิตขยับไปเรมก็เห็นเองเลยครับสาธุครับขอบพระคุณครับทำถูกแล้วนะขยันไปใช้ได้โลัะไม่ตึงนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแค่นั้นนะมันช่วงมันแคบลงใช่ไหมอะไรนะหมายถึงว่าตึงกระหย่อนมันแคบลงมาใช่มีนจะแคบลงจนกะทังมันเป็นขณะขณะแวบเดียวเลย นั่นแหละพัฒนาแล้วละภาวนานได้ดีเฉลอะที่ส่งกันบ้านมาวันเนี้ยคนนี้ดีที่สุดที่ส่งกันบ้านมาแต่ต่อไปนี้จะเริ่มไม่ดีแล้ว <นะ S 2> เพราะจะอ ย, อยากรักษาแชมป์ถ้าอยากรักษาแชมป์อะเป๊ะไปหลายเดือนเลยละ <c oughs> เวลาดีๆหลวงพ่อบอกดีนะจะดินใหญ่ยิ่งดินมากกว่าเก่าไปฝึกเอาที่ทําอยู่ถูกแล้ว ครับขอบพระคุณหลวงพ่อครับมาถึงวันนี้นะพวกเราภาวนาใช้ได้เยอะเลยครับธรรมสการค่ะหลวงพอ่อนี่คือการส่งการบ้านครั้งแรกค่ะคืออยากขอคำรับรองจากหลวงพ่อว่าโยมปฏิบัติได้ถูกทางหรือเปล่าค่ะอ๋อจะมาขอใบรับรอง <laughs> เก็บข้าวออกไปรับรองหน้ไหมเราต้องดูด้วยตัวเองรับรองด้วยตัวเองกิเลสเกิดเรารู้ได้ไวขึ้นไหมก็พอรู้ค่ะเออพอรู้ก็พอรับรองได้ <c oughs> คอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆน ะ, ะตัวที่ทำให้ชีวิตเราไม่สงบสุขไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นแต่คือกิเลสในใจของเราเอง กิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้เอารู้ไปเรื่อยๆใจก็จะปล่งลงเบามากขึ้นมากขึ้นไปค่อยรู้เท่าทันกิเลสเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็จะรู้ว่าเจริญขึ้นหรือเสือ่อมช่วงไหนเจริญก็คือกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้หมดเลยตัวเล็กตัวน้อยก็รู้ช่วงเสื่อมกิเลสตัวเท่าช้างยังไม่เห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละเจริญแล้วเสื่อมเจริญรับเสื่อมเป็นธรรมดา ไปรู้ทันกิเลสของตัวเองเรื่อยๆไปดูออกเปล่ากิเลส้งดูออกค่ะเห็นไหมว่ามันเยอะมีเยอะค่ะน่นต้องอย่างนั้นลูกศิษย์หลวงพ่ออย่ามาบอกห no, นูไม่มีกิเลสหัวสังแล้วส่ใจใส่ยันไม่มีกิเลสเธอก็เป็นพระอราหารันต์สิหน้าตาเธอยังไม่เป็นหรอกกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะไปดูนะอย่ยงเวลาเราคุยกับหลวงพ่อเนี้ยรวังฟอร์มรู้สึกไหม เราทำใจขลุ่มๆทำให้เรียบร้อยอยงี้อันนี้ก็ถูกกิเลสเล่นงานเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยู่ไหนเอ่ยนามัสการเจ้าค่ะขอได้โปรดชี้แนะด้วยเจ้าค่ะมาจากไหนอ่ะมาจากนครศรีธรรมราชเออมาไกลพายุมันเข้าปะที่นครพายุมันเข้ามาใช่ไหม เข้ามาแต่ที่บ้านไม่โดนเจ้าค่ะเออดีไม่โดนก็ดีแล้วแล้วจะคลุ่มใจอะไรคลุมใจวับภาวนาถูเปล่าสงสัยอยู่เจ้าค่ะสงสัยแล้วทาไงดีอสงสัยหนอตาค้างเลยสงสัยหนอ เนี่ยเขกบาลหนอเลยหนอแปลว่าอะไรรู้หรือเปล่าแต่ว่าสองแจ็กหนอซาสีสงสัยก็รู้ว่าสงสัยไม่ต้องกําหนดตรงที่กําหนดลงไปนะไม่คือการคิดตรงที่เราบริกรรมว่าสงสัยหนอเนี่ยจิตจะตกจากวิปัสสนานะ ไม่เป็นวิปัสนาหรอกให้สงสัยหนอเพราะมันคือการคิดเอ า, เาต่อไปนี้ให้รู้ที่สภาวะความสงสัยผุดขึ้นมาให้รู้ทันความสงสัยดับไปให้รู้ทันนะไม่ต้องคิดนะไม่ต้องคิดหนอหนอเหนือยเนื่อยอะไรหรอกแล้วปฏิบัติถูกหรือเปล่าเจ้าคะเกือบถูกแล้วหนอแล้ว ความรู้สึกขณะนี้มันรู้สึกแน่นแน่นแล้วก็มันขยม่มขย่มไปเลยชอบถูกถูกรู้แค่นั้นอนะ่ะไม่ต้องแน่นหนอไม่ต้องขย่มหนอนะ อ, อ่รู้เฉยเยตรงที่เราหลงไปอยู่ในความคิดนะนะเพราะเราคิดทันทีเนั้นเราตกจากวิปัสนาแล้วนะวิปัสนาต้องเห็นนเห็นสภาวะเขากํลาลังแสดงตัวอยู่เขาเปลี่ยนแปลงให้เราดูเห็นไหมเขาขย่มได้เอง เนี่ยดูอย่างนี้นะเออจิตมันขยมได้เองอย่างเนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ใช่พอจิตขยมเขาบริกรรมไปด้วยขยมเนอะ ข, ขยมหนอแล้วมันนิ่งนิ่งแล้วก็เฉยอยู่อยเงี้ยแล้วบอกว่าปฏิบัติอยู่ติดสมถะกลายเป็นสมถะโดยไม่รู้ตัวแล้ ว, แ ล, วแล้วรู้สึกมีความรู้สึกว่าจิตมันต้านนะเจ้าค่ะต้านรู้ว่ามันต้านเราก็ไม่ต้องไปต้านกับมัน เวลาขนาดที่มาต้านก็รู้รู้ใช่ๆดูมันไปพอแล้วยังมีอีกเจ้าค่ะวเราอ่ะถ้าเรียนมาแบบนี้นะถามถึงผู้นี้ก็ไม่จบยังมีอีกคำถามหนึ่งขออีกหนค่ะเออคือว่าตอนที่มานี่นั่งอยู่แล้วก็ปรากฏว่ามันอ๋อก่อนหน้านี้มันคันหมดมันคันไม่รู้สาเหตุทั้งตัวเลยเจ้าค่ะแล้ว แล้วมาตอนที่นั่งรถมาเนี่ยมันเจ็บแป๊บแป๊บทั่วตัวเลยเจ้าค่ะแล้วเวลาเราทํากรรมฐานเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าสมาสติแตกเลยเจ้านคะ่ะอืให้ทำยังไงมันมีวิบากนะรับรับมันไปมันมันเป็ผลของปานาติบาสเจ้าค่ะแล้วแล้วเวลาขณะที่มันวุ่นวายที่เราจะออก ตรงนั้นน่ะจะแจก้แก้ไขยังไงคําว่าแก้ไม่มีในวิปัสสนามีแต่การเห็นอย่างที่เป็นอย่างในขณะนั้นจิตใจว่าวุ่นรู้ว่าจิตใจว่าวุ่นรู้แต่ทนไม่ไหวเลยเจ้าค่ะอะไรนะทนไม่ไหวเจ้าค่ะทนไม่ไหว ท, ทนะาวําสมถะนะเจ้าพุทโธพุทโธไปบริกรรมไปทนไม่ไหวก็ทำํำต้องฝึกนะต้องฝึกอีกเยอะเลยไปฟังซีดีหลวงพ่อให้ดี ลืมความรู้เก่าๆเสียไม่งั้นเราจะติดล็อกนิ่งๆอยู่อย่างเนี้ยรู้สึกไ ห, ห้ใจมันนิ่งซื้อบืออย่างนั้นไม่เอาต้องให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆเจ้โน่นอยู่ข้างหลังนรมาสการครับหลวงพ่อปฏิบัติช่วงนี้รู้สึกติดขัดเรื่องเศร้าเสียใจแล้วก็พยาบาทอะครับ ออกหักเรือไงไม่ไม่ได้ อ, อกหักนะครับ ม, มีเรื่องเสียใจในอดีตในสมัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัจจุบันมีเรื่องให้เสียใจไหมมันไม่มีแต่ว่ามันอดเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ล้วห้ามมันไม่ได้นะสัญญามันทำงานมันจาเรื่องเก่าๆพอมันจาขึ้นมาได้สังขารมันก็ปรุงความเศร้าโศกขึ้นมานะพยายามอยู่กับปัจจุบันไปอดีตสวนอดีต อะไรที่ผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปพพระพุทธเจ้าบอกอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงมีสติอยู่กับปัจจุบันแม้เพียงคืนเดียวก็น่าชมเชยแล้วยามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตไม่มีแล้วอดีตมันหลอกเราสัญญามันหลอกพยายามดูเวลามันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นมาก็มันเกิดนึกย้อนไปแล้วมันเศร้านะพิจารณาไปเลย ว่าทุกสิ่งในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวคิดมันไปนเลยว่าทุกสิ่งในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวสิ่งที่เราพลัดพลากหรือสิ่งที่เราไม่พอใจอะไรเงี้ยก็เป็นของชั่วคราวนะสอนนั่นไปเรื่อยให้มันมาอยู่กับปัจจุบันนะไม่เอาอาดีตนะสอนไปครับว่าอาดีตมันจบไปแล้วครข้อพระคุณครั บ, บ, รบพูดง่ายแต่ทํายาก ต้องดอดทนจริงๆกว่าจะผ่านได้อยู่ที่ไหนออยู่นี่ธรรมาสการครับหลวงพ่ อ, อวันนี้ก็จะมากราบขอบพระคุณหลวงพ่ อ, อพอดีก็ปฏิบัติได้แปดปีครับฟังซีดีตั้งแต่เป็นซีดีฟังในรถฟังมาตลอดแล้วก็ชีวิต ก็ได้เปลี่ยนไปเยอะอะไรครับ mm. เปลี่ยนมากแล้วกเ็เคยปฏิบัติจนไปไปเจอว่ า, าก็มีความสุขมากๆครับก็สุขมากๆแล้วก็สุขติดกันหลายวันเลยครับ mm. แล้วก็ไปคิดไม่ได้คิดก็รู้สึกรู้ว่าสุขมันไม่เที่ยงก็พยายามดูมันไปครับซึ่งตอนแรกก็ไปหลงยึดว่ามันก็คงสุขอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่น่าจะใช่ครับ ไม่ใช่หรอกถ้าสุกนานไปนนต้องดูแลต้องมีอะไรผิดเช่นจิตมันไปทรงชาญอยู่นั้นสุกนานถ้าจิตของคนธรรมดาเนี่ยแป๊บเดียวไม่นานสุกชั่วการกระทบเท่านั้นแหละแล้วช่วงหลังก็เลยเออพอสักพักหนึ่งก็จริงๆก่อนนี้ก็คือตั้งใจรักษาศีลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยครับแล้วก็อยู่กับการภาวนาทุกวัน แต่ช่วงหลังเนี่ยก็จะมีช่วงเสื่อมแล้วก็เจริญแล้วก็เสื่อมก็เลยพยายามคุ้นเคยกับความเจริญและเสื่อมอยู่อย่างเงี้ยเพื่อให้มันเป็นการภาวนาที่ต่อเนื่องให้เข้าใจไปอย่างนี้ไปเลยครับการปฏิบัตินะีต้องเจริญแล้วเสื่อมถ้าเจริญลูกเดียวเราจะได้เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยจะรู้สึกกูเก่งแต่ทั้งท้ที่เราทาเหมือนกันทุกวันนะแต่ผลได้ไม่เคยเหมือนกัน แล้วใจมันจะค่อยๆเรียนรู้จนกระทั่งใจมันหมดแรงดิน้นเพราะว่ามันดิ้นเต็มที่แล้วนะแล้วมันก็ไม่สําเร็จมันถึงหมดแรงดิน้นแล้วมันถึงประสบความสําเร็จก็ยอมเลยครับออยอมเป็นสู้ไปกี่ปี <GP S 1> ก็ต้องสู้นะคสพาว่าอย่างนี้ดีแล้วละ่ะทาได้ดี อ, อลหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะนอกจากนี้ไหมครับอย่าให้ติดในความนิ่งๆว่างๆก็แล้วกัน ะระวังตัวนี้มีลูกชายอยากจะส่งกงนบ้านด้วยอายุเท่าไหร่สิบขวบละครับสิบขว บ, บวยืนให้หลวงพ่อดูหน่อยออโอ้น่ารักเว้ยน่าว่าแปะผมเวลาผมนั่งผมก็ชอบมือลอยอะคะ่ะชอบมือมก็พยายามรู้ทันว่าผมมือยอยู่ค่ะเอ อ, เ อ, อ พยายามรู้ว่าจิตมันเหม่อน ะ, ะไม่ใช่ผมเหมอน ะ, ะไม่เหมือนกันหรอก<ะ>เวลาเหมอรู้เวลาอยากกินขนมรู้ไหมไม่รู้ค่ะ อ, อ, อยากไปเที่ยวรู้ไห ม, ไมรู้ค่ะโมโหพ่อรู้ไหมออบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้นี่ถูกเลยนะอย่าว่าแต่เด็กเลยพวกเราก็เหมือนกันบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้ รู้บ่อยๆนะความรู้สึกอะไรเกิดแล้รู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคิกหน่อยเก่งนะสมาธิเขายังไม่พอนะจิตมันยังไม่ถึงฐานแต่ไม่เป็นไรให้รู้ความรู้สึกเรื่อยๆไปแล้วแต่สมาธิมันค่อยเพิ่มขึ้นหลวงพ่อครับถ้าขออนุญาตภรรยาอีก คนได้ไงให้เขาพอดีมไม่ไม่มีโอกาสได้มาเลยครับ <accent> <c oughs> มาจากไหนล่ะ <c oughs> เออมาจากจิ้งเทพนี่แหละเขาบำานว่าไงละมาสการพระอาจารย์ค่ะปกติไม่ทราบว่าตัวเองฝึกอยู่หรือเปล่าต่อก็คือพี่เห็นว่าตัวเองรู้สึกยังไง <c oughs> รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนนี้ตอนแรกไม่ได้ตื่นเต้นเพราะไม่ได้คิดว่าจะถา ม, อ, มอะไรพระอาจารย์นะคะถ้าอย่างนั้นสอบถามพระอาจารย์ว่าอย่างหนูนี่พอที่จะปฏิบัติได้ดีไหมคะฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ละเลยฟังซีดีหลวงพ่อไปแล้วสังเกตจิตใจของตัวเองไปสังเกตไห้เราว่าเป็นคนยึดในความคิดเห็นไม่ใช่น้อยนะดูออกไหมดูออกค่ะมาด้วยค่ะให้รู้ทันเวลาเรายึดในความเห็นเราก็รู้นะ รู้ไปเรื่อยๆแล้วใจเราจะนุ่มนวลอ่อนโยนมากขึ้นขอบคุณค่ะไปรู้ทันเวลามันคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันเชื่อมั่นตัวเนี้มันยึดนะแค่นี้ก็แล้วกันมีพระหลายองค์